คำนำ3ามมงคลชีวิตหลักปฏิบัติมงคลของคนดีเล่มนี้เรียบเรียงจากคำสอนของท่านชกคุณพระธรรมโกสาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทพิกุแห่งวัดชลประธานรังสฤษดิ์ที่ได้เมตตาแสดงหลักปฏิบัติเพื่อความมีมงคลแก่พุทธบริษัทอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันนำมาสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสาเร็จของพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย และเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แห่งหนังสือยิ่งขึ้นจึงนำมงคลพาสิทธ์ของพระธรรมโกษาจารย์แห่งวัดเบนจมมาบพิทที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2468มาประกอบด้วยซึ่งแม้ว่าระยะเวลาจะล่วงเลยมาเกือบ80ปีแต่ข้ออัตถะข้อธรรมทางพระพุทธศาสนายังทรงคุณค่าสามารถที่ชาวพุทธทั้งหลายจะนามาประยุกใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานเท่าใดข้ออัตถะข้อธรรมต่างๆนั้นย่อมจะยังให้บังเกิดความดีงามสร้างมงคลความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติเป็นนิดเพื่อง่ายแก่ความเข้าใจที่จะศึกษาและปฏิบตัติได้เรียบเรียงโดยในแห่งพุทธภาษิตดังปรากฏอยู่ในมงคลละสูตรที่ทรงบัญญัติเป็นลำดับลำดับไปเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติคติโลกไปหาคติธรรม คติแห่งโลกียธรรมไปจนถึงคติแห่งโลกุต ร, รัธรรมสูงสุดประดุดการเดินขึ้นบันไดขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงสุดจึงง่ายและสะดวกแก่ผู้ที่เริ่มศึกษาปฏิบัติอันนำ ม, มาซึ่งมงคลความเจริญตามปรารถนาปรารบเหตุดังกล่าวธรรมสภาและสถาบันบาลือธรรมจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ38มงคลชีวิต เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนด้วยความมุ่งหวังความมีมงคลจากบังเกิดแก่ท่านกอบกับเจตนาลมที่มุ่งหวังจะรักษาและสืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้มั่นคงยั่งยืนตราบนิรันการด้วยความสุจริตหวังดีธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุขบุคคลทั้งหลายผู้เกิดมาบนโลก ล้วนปรารถนาสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตนด้วยกันทั้งนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ไม่มีใครปฏิเสธเพราะมงคลเป็นสิ่งที่บ่งถึงความดีงามความเจริญอันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้แสดงตรัสมงคลยอดชีวิตแก่เทพระบุตรณพระเชตวันวิหาร อัญเชกได้นำมาชี้แจงแถลงไขให้ท่านได้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงและความสวัสดีแห่งชีวิตสืบไป38มงคลชีวิตหลักปฏิบัติมงคลของคนดีนำเรื่องเมื่อเราย้อนไปดูในสมัยชมพูทวีป จะเห็นว่าประชาชนชาวชมพูทวีปนั้นเป็นคนตื่นข่าวเล่าลือต่างๆโดยใช้สถานที่อธิประตูเมืองบ้างศาลาว่าการบ้างเป็นที่ประชุมกันเพื่อมาเล่าเรื่องราวต่างๆโดยมอบเงินทองเป็นรางวัลซึ่งแต่ละเรื่องกว่าจะจบได้ใช้เวลาถูกเถียงกันถึงสี่เดือนเลยทีเดียววันหนึ่งมีผู้เสนอเรื่องมงคลต่อที่ประชุมว่า อะไรเป็นมงคลรูปที่เห็นเสียงที่ฟังหรือว่าอารมณ์ที่กระทบเป็นมงคลอะไรเป็นที่รู้จักมงคลและใครเป็นผู้รู้จักมงคลเรื่องมงคลนี้ทำให้ผู้คนในที่ประชุมนั้นมีความเห็นแตกออกเป็นสามฝ่ายด้วยกันกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่ารูปที่เห็นเป็นมงคลกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่าเสียงที่ฟังเป็นมงคล อีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่าการได้สัมผัสถูกต้องเป็นมงคลเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันออกไปอย่างนี้จึงทำให้เรื่องมงคลกลายเป็นข้อพิพาทเกิดเป็นปัญหาที่นำขึ้นถกเถียงกันอยู่ทั่วไปและมีการวิพากวิจาร์การแพร่ขยายออกไปทั่วชมพูทวีปโดยไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องของมงคลนี้ลงได้จวบจนเวลาล่วงไปถึง12ปี การครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายประทับอยู่ณพระเจตวันวิหารนครสาวัตถีก็ได้มีเทวดาและมนุษย์พากันไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูล ถ, ถามถึงมงคลปัญหาต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุแห่งมงคลความเจริญ38ประการซึ่งแต่ละข้อมีผล แห่งการตรัสรู้และเป็นสัจธรรมทั้งสิ้นเมื่อพระพุทธองค์แสดงจบลงปัญหาเรื่องมงคลอันเป็นยุติโดยสิ้นเชิงฝูงหงเดินหลงเข้าสู่ฝูงกาสีหาราชเคียงโคลาคลาดเต้าม้าต้นระคนลาเลวชาตินักปราดพานพาเคลา้า สีนี้ชไหนางามมงคลที่หนึ่งอเสวนาจะพลานังการไม่คบคนพาลคนพาลหมายความว่าคนโง่ไม่รู้จักประโยชน์โลกนี้โลกหน้าประศจากปัญญาเป็นอยู่ด้วยสักว่ามีลมหายใจ คนพาลผู้ละประโยชน์ในโลกนี้มีสประการคือเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไม่ทำกิจการงานและหาวิชาความรู้ที่จะนำมาซึ่งลาบผลหนึ่งไม่รักษาทรัพย์ของตนด้วยอุบายแห่งปัญญาหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยความประมาททรัพย์คือทรัพย์น้อยแต่กินมากหนึ่งและคบคนพาลสันดานเป็นบาปหนึ่ง คนผ่านผู้ละประโยชน์ในโลกหน้ามี5ประการคือไม่มีศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยหนึ่งไม่มีศีลห้าศีลแปดเครื่องรักษากายวาจาหนึ่งไม่มีการฟังธรรมเทศนานหนึ่งไม่มีการบริจาคทานข้าวน้ำ1ไม่มีปัญญาพิจารณาสังขาร1นบุคคลผู้ละเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองประการดังกล่าว เรียกว่าคนพาลอนหนึ่งคนพาลมีอาการสามคือลักษณะนิมิตและอปทานลักษณะนั้นได้แก่มโนสุจริตสามคือความเพ่งเล็งลักของของเขาความพยาบาทความโกรธผูกเวรเขาและความเห็นผิดจากพระพุทธศาสนานิมิตนั้นได้แก่วจีทุจริตสี่ คือกล่าววาจาล่อลวงอำพรางผู้อื่นกล่าวส่อเสียดยุยงให้เขาแตกรล้ากันกล่าวคำยาบมีดาพ่อแม่เป็นต้นและกล่าวแต่เรื่องราวไม่มีประโยชน์อปิธานนั้นได้แก่กายทุจริตสามคือฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายลักสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองและการล่วงประเวณีนในสตรีที่เขาหวง ลักษณะเครื่องหมายที่สามารถเห็นได้ชัดและให้รู้ว่าเป็นคนพาลประการสำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถที่จะกระทำความทุจริตได้ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวผู้เข้าคลุกคลีกับคนพาลด้วยการไปมาหาสู่ตีสนิทชิดชอบจงรักพักดีเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นเป็นเพื่อนร่วมกินและดำเนินตามอย่าง คือทำตามข้อประพฤติของคนพา น, นี้ชื่อว่าคบคนพาณยคนพานมีสองประเภทคือพาณภายนอกคนอื่นที่เป็นพานและพานภายในตัวเราเองที่มีกายชั่ววาจาชั่วการครบคนพานไม่เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ผู้คบเป็นคนเสื่อมชุดคลาฐานะของตนลงให้ตกตามมากกว่าเดิม มีจิตใจเลวร้ายอันนำมาซึ่งความเดือดร้อนแห่งชีวิตส่วนการไม่คบคนพาลเป็นเหตุให้เจริญด้วยสัพพสมบัติเลื่อนฐานะของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิมมีชีวิตอย่างสงบสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกมีกายวาจาและใจที่ดีงามอันจะนำมาซึ่งความเจริญในชีวิตฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสการไม่คบคนพาลเป็นเหตุแห่งมงคลความเจริญคบคนพาลพาพ า, พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนจะคบคนระวังไว้ดูให้ดี ใบพ้อพันห่อหุ้มกลิศนาหอมระรวยรสพาเพลิดด้วยคนเสพเสนหานักปราดความสุขทราบลือม้้ยดุดไม้กลิ่นหอมมงคลที่สองบัณฑิตตานันจะเสวนาการคบบัณฑิต บัณฑิตมีลักษณะตรงข้ามจากชนพานคือท่านเป็นอยู่และดำเนินในประโยชน์กิจด้วยปัญญาที่ไม่มีที่จะคิดให้ร้ายแก่ใครๆบัณฑิตเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเหลียวแลถึงประโยชน์ของผู้อื่นไม่ดูดายและย่อมแสวงหาประโยชน์สองประการได้แก่ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าบัณฑิตมีสองประเภทคือ บัณฑิตภายนอกคือคนอื่นที่เป็นบัณฑิตและบัณฑิตภายในตัวเราเองมีกายวาจาและใจดีงามลักษณะของการคบบัณฑิตมีเจ็ดประการคือการไปมาหาสู่การเข้าตีสนิทชิดชอบความจงรักคือรักใกล้กันจริงความพักดีคือนับถือเลื่อมใสซื่อตรงต่อกันเป็นเพื่อนร่วมกิน รวมอยู่ด้วยกันดำเนินตามอย่างผู้ที่เข้าสมาคมกับบัณฑิตด้วยการลักษณะแห่งการครบบัณฑิตดังกล่าวชื่อว่าคบบัณฑิตคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นผู้คบบัณฑิตก็ปลอยเป็นบัณฑิตไปด้วยถึงแม้หากว่าจะไม่ดีขึ้นก็ยังได้ชื่อว่าอยู่ในหมู่บัณฑิตย่อมเป็นสิริแก่ตนดุจใบไม้ห่อของหอม ก็ปล่อยหอมไปด้วยผู้คบมิตรชั่วแม้จะไม่ชั่วไปตามก็ยังเสียชื่อเสียงว่าสมาคมกับคนชั่วดุดคนเดินทางร่วมโจรซึ่งถึงแม้ว่ามิใช่โจรก็ยังพลอยถูกอันตรายด้วยผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้นแม้เราจะคบเพียงครั้งเดียวการครบนั้นก็ให้เรามีความสุขอยู่เป็นนิด คุ้มครองเราให้ปลอดภัยและสนับสนุนให้เรามีชื่อเสียงเกียรติคุณผู้ใดคบหาบัณฑิตแล้วย่อมจะชักพาให้ทำดีคือทานศีลภาวนาเป็นต้นชวนให้ประพฤติอยู่ในสุจริตทั้งสามอันได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตกายสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ร่วมประเวณีในสตรีที่เขาห่วง วิชีสุดจริตคือไม่พูดปดกับผู้อื่นไม่พูดส่อเสียดยุยงผู้อื่นไม่พูดคําหยาบและไม่พูดคําที่ไม่มีประโยชน์มโนสุดจริตคือไม่โลภคิดอยากได้ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ไม่อาฆาตพยาบาทผูกเวรและไม่เห็นผิดจากพระพุทธศาสนาการคบบัณฑิตเป็นเหตุให้ผู้คบนั้นจเจริญด้วยสรพพสมบัติ เลื่อนฐานะของตนให้สูงขึ้นกว่าภาวะเดิมมีกายวาจาใจดีงามมีชีวิตเก้าดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นปลอดภัยปราศจากอุบาทและอุปสรรคไม่โศกเศร้าในท่ามกลางหมู่คนผู้โศกเศร้าสง่างามท่ามกลางหมู่ญาติเป็นผู้มีความสุขอยู่ตลอดกาลและหลุดพ้นจากทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นเป็นที่สุด ฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสการครบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งมงคลความเจริญมีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาลบูชามีจิตแพ้วผ่องใสบูชิตคนดีใดใหญ่น้อยล้วนแต่สุจริตใจสุขชื่นสลานแห่ ผลสุขจากเคลื่อนคล้อยติดต้อยตามสนองมองคลที่สบูชาจากปูชนิยานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคนเรานับถือบุคคลหรือวัตถุอย่างใดก็บูชาบุคคลหรือวัตถุอย่างนั้นโดยหวังว่าจะเป็นความดีความเจริญแก่ตน ผลที่พึงได้ก็อยู่ที่บูชาบุคคลผู้ควรบูชาหรือไม่ถ้าเป็นผู้ที่ควรบูชาก็ย่อมให้เกิดผลแก่ผู้บูชาได้ตามฐานะและโอกาสถ้าบูชาบุคคลผู้ไม่สมควรบูชาก็ปราศจากประโยชน์ถ้าตนรู้เข้าในภายหลังแล้วก็จะรู้สึกเสียใจว่าไม่ควรไปบูชาคนเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บูชา จะพึงเลือกแต่ผู้ที่สมควรบูชาบุคคลผู้ทรงคุณธรรมอาจชี้แจงหรือชักนำให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์และท่านผู้เป็นเจ้าพระคุณแห่งตนตั้งต้นแต่มารดาบิดาผู้ให้กำเนิดและอุปถัมภ์บำรุงตนมาแต่ยังยาวอาจารย์ผู้ให้ความรู้ให้ความสามารถพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ ผู้นำความร่มเย็นให้เกิดแก่ผระสงฆนิกรแล้วอย่างอุกฤษองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเหล่านี้จัดเป็นผู้ควรบูชาอันแท้จริงเมื่อบุคคลใดได้บูชาแล้วจัดว่าเป็นความดีแก่ตนพราะทำถูกหน้าที่วิธีที่จะบูชานั้นมีสองประการ 1. บูชาด้วยพัสดุสิ่งของหรือประทีปทูบเทียนและสุขนทชาติเรียกว่าอมิตรบูชา 2. บูชาด้วยการปฏิบัติคือตั้งตนอยู่ในโอวาทแล้วประพฤติตนเป็นธรรมจารีเรียกว่าปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเช่นนี้เป็นข้อที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงหวังอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติด้วยเหตุในเวลาที่ใกล้จะเสด็จดับขันท่าปรินิพพานพระองค์จึงได้ทรงแสดงแก่พระ อ, อนนทเถรวะว่าบูชาอันบริสัทบูชาแล้วด้วยสักการะเพียงเท่านี้ไม่ชื่อว่าบูชาอย่างยิ่งส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมนั่นแหละถือว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่งการบูชาด้วยอมิตรหรือการบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ท่านผู้ทรงคุณเช่นนั้นจัดว่าเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาส่วนวัตถุอันควรบูชานั้นได้แก่วัตถุอันสืบเนื่องมาจากบุคคลเช่นนั้นเป็นอนุสาวรีย์ หรือเจดีสถานที่เคารพอย่างใดอย่างหนึ่งอันควรเป็นที่ศักระแห่งผู้ระลึกถึงคุณอันหนึ่งการแสดงอาการกิริยาเคารพนับถือและอ่อนน้อมแก่บุคคลหรือวัตถุที่สมควรก็จัดเข้าในข้อนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่วัตถุสถานอันเป็นอนุสวรีเครื่องหมายที่เคารพในาศาสนาอื่นก็ควรได้รับการนอบน้อมดุจเดียวกัน การรู้จักบูชาเคารพสักการะอ่อนน้อมบุคคลและวัตถุอันควรบูชานั้นนำตนให้เป็นคนมีอัธยาศัยงามห้ามกิริยาอันไม่สุภาพเสียได้ทั้งจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประชุมชนจัดว่าเป็นมงคลแก่ตนอีกประการหนึ่งมารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมเป็นบูรพาจารย์เป็นที่นับถือของบุตร และเป็นที่อนุเคราะห์บุตรการอยู่ในประเทศอันเหมาะสมคนนิยมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทุกคนดีช่วยกันมีน้ำใจมีเยื่อใยต่อกันเป็นมงคลมงคลที่สี่ ปฏิรูปรเทศวะโซจะการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมบุคคลก็ดีคณะก็ดีมีอาชีวะอย่างใดมีกิจการงานอย่างใดจำจะต้องอยู่ในถิ่นอันเหมาะเจาะแก่อาชีวะอย่างนั้นเหมาะแก่กิจการอย่างนั้นบุคคลมีอาชีวะในทางกสิกรรมก็ควรต้องมีพื้นที่อันเหมาะสมไม่ดอนเกินไปไม่ลุ่มเกินไป มีทางไปมาสะดวกแก่ผู้รับซื้อเช่นนี้การกิกรรมของเขาย่อมมีผลดีกว่าบุคคลผู้อยู่ในที่อันไม่เหมาะสมอย่างนั้นบุคคลผู้ประกอบอาชีวะในทางค้าขายก็จะต้องอยู่ในที่อันเป็นทำเลแห่งการค้าขายบุคคลผู้ปรารถนาในการเล่าเรียนก็ต้องอยู่ในที่ไม่ติดขาดแก่การเล่าเรียน อาชีวะหรือความปรารถนาของเขาจึงจะผลผลสมความมุ่งหมายได้ไม่เช่นนั้นผลที่จะพึงได้ก็คงบกพร่องฉะนั้นการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญแม้ความเป็นไปแห่งพุทธศาสนานั้นก็เนื่องด้วยเหตุที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤื้แห่งมคธรัต ก่อนที่อื่นด้วยเหตุนี้เองแต่ถิ่นฐานอันเป็นปฏิรูปประเทศอันหมายถึงถิ่นที่เหมาะสมในสมัยหนึ่งครั้นถึงอีกสมัยอื่นก็อาจจะกลายเป็นที่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไปก็ได้เพราะคติของธรรมดานั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปเช่นแม่น้ำลําคลองเปลี่ยนกระแสไปทางอื่นทําให้ที่นั้นตื้นเขินไม่สะดวกแก่การไปมาบ้าง หรือที่อื่นได้รับความบำรุงให้เกิดเป็นทำเลดีกว่าทำให้มหาชนพากันอพยพไปตั้งเสียที่นั่นบ้างหรือเจ้าของถิ่นไม่เอาใจใส่ป้องกันแก้ไขให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงแห่งคติของธรรมดาไม่ทำนุกบำรุงให้ทัดเทียมกับถิ่นที่ใกล้เคียงจนไม่อาจรักษาความเป็นอิสรภาพแห่งถิ่นฐานของตนไว้ได้ ทินที่อาศัยอันเคยเป็นปฏิรูปประเทศก็กลายเป็นไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไปตัวอย่างเช่นในชมพูทวีปซึ่งเรียกในปัจจุบันนี้ว่าประเทศอินเดียอันเคยเป็นปฏิรูปประเทศแห่งพระพุทธศาสนาแต่ภายหลังเหล่าพุทธศาสนิกชนหย่อนกาลังลงไม่อาจทานพวกที่ถือาศาสนาอื่นจึงต้องอพยพย้ายไปตั้งในประเทศอื่น รวมทั้งที่เป็นประเทศแห่งเรานี้ด้วยแม้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันเล่าประเทศอื่นที่ใกล้เคียงกับเราไม่รักษาความเป็นอิสรภาพของตนไม่ได้จึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งประเทศอื่นนี้ก็ไม่จัดเป็นปฏิรูปประเทศแห่งพระพุทธศาสนาความเป็นปฏิรูปประเทศแห่งพระพุทธศาสนาตกอยู่แก่ประเทศเรานี้ ก็เพราะเรารักษาความเป็นอิสระภาพเอาไว้ได้ความเป็นไปแห่งบุคคลหรือความเป็นไปแห่งคณะอันเกี่ยวกับอาชีวะหรือกิจการก็ดีความเป็นไปแห่งาศาสนาก็ดีย่อมเนื่องด้วยปฏิรูปประเทศทั้งสิ้นด้วยเหตุนั้นการอยู่ในปฏิรูปประเทศทิ่นที่สมควรอยู่ในทินที่เหมาะเจาะ เหมาะสมแก่อาชีวะหรือเหมาะสมแก่กิจการจึงเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งในทางคดีโลกคดีธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดคือบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นภูมิหน้ารื่นรม ในการก่อนทำบุญเอาไว้มากบริจาคสิ่งของต้องประสงค์มาชาตินี้บุญช่วยจึงมั่นคงจิตจำนงอยู่ดีมีมงคลมงคลที่ห้าปุเพจจา ก, กะตะปุญญาตาการทำบุญไว้ในปางก่อน บุญหมายถึงการกระทำดีคุณงามความดีการทำบุญไว้ในปางก่อนหมายความว่าได้อบรมความดีบำเพ็ญบุญบา ร, รมีในการที่ล่วงแล้วเป็นลำดับมาเป็นเหตุให้บุคคลแลเห็นผลแห่งความดีที่ตนได้รับอยู่ในปัจจุบันบุญบา ร, รมีนี้ก็คือบา ร, รมีสิประการอันประกอบไปด้วยทานนบารมี ศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีดังกล่าวนี้ชายและหญิงผู้เกิดมาในชาติปัจจุบันพอรู้ความก็ได้เริ่มบำเพ็ญบารมีอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือคุณความดีอย่างอื่นๆด้วยความอุตสาหะ มาจนถึงวานนี้ก็ดีผู้ได้บำเพ็ญบารมีเหล่านี้หรือคุณความดีอย่างอื่นมาแต่อดีตชาติชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีมา ก, ก่อนได้ทำบุญไว้ในปางก่อนธรรมดาบุคคลย่อมปรารถนาความเจริญแก่ตนด้วยกันทั้งนั้นแต่ความเจริญที่บุคคลปรารถนาอยู่นั้นเป็นตัวผล บุคคลจะได้ก็ด้วยลงทุนทาความดีอันเป็นตัวเหตุไว้ก่อนถ้าเป็นเพียงแต่ปรารถนาแต่ไม่ได้ลงทุนทำความดีผลอันเป็นกาไรจะมีมาแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาผลคือความเจริญจึงควรอบรมความดีคือบุญอันเป็นตัวเหตุก่อนเมื่อได้อบรมบุญอันเป็นเหตุไว้ก่อนแล้วผลคือความเจริญ แม้ไม่ต้องปรารถนาก็คงจะมีมาเป็นแน่อันหนึ่งบุคคลผู้ได้กระทาบุญนั้นท่านเปรียบว่าเป็นประดุจฝังขุมทรัพย์ไว้ทั้งเป็นขุมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นของที่ใช้ไม่รู้จักหมดสมบัติแม้ของมหาเศรษฐีนับด้วยโกดแต่ถ้าเจ้าของไม่รู้จักประหยัดใช้สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักใช้ในทางอันควรและไม่ควรจนรายจ่ายท่วมรายได้อยู่เสมอก็จะต้องถึงแก่ความหมดสิ้นลงในคราวหนึ่งส่วนคุ้มทรัพย์คือบุญแม้จะใช้จ่ายโดยประการใดก็ไม่รู้จักหมดสิ้นกลับจะเป็นทางเพิ่มปูนให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้นเสียอีกประดุดบุคคลใช้ทุนหมุนเวียนให้เกิดกาไรยิ่งขึ้นฉะนั้น คุมทรัพย์คือบุญท่านจัดว่าเป็นคุมทรัพย์อันมั่นคงที่สุดในโลกเพราะความดีที่บุคคลได้กระทําไว้ก็เป็นของบุคคลนั้นเสมอไปไม่มีโจรคนใดาสามารถจะลักหรือแย่งนําไปได้ทั้งจะติดตามตัวไปได้ในทุกสถานแม้ทรัพย์ที่บุคคลฝากไว้ในธนาคารอันนับว่าเป็นหลักฐานมั่นคง ก็ยังไม่มั่นคงเท่ากับปุเพกะตะปุญญาคุณเป็นที่ตั้งแห่งความสมบูรณ์ด้วยคุณสารสมบัติด้วยเหตุประการชนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสสารเสริญไว้ว่าเป็นสมบัติจากประการหนึ่งประดุดล้อรถที่พาผู้ขึ้นไปลุถึงสถานที่มุ่งหมายฉะนั้นเพราะเหตุที่การได้ทำบุญไวในปางก่อน เป็นต้นทุนให้เกิดกำไรคือความเจริญในปัจจุบันพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าการทำบุญไว้ในปางก่อนเป็นอุดมมงคลผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสองเขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น Thank you.